วันนี้มีมากไปพอเห็นพวกเราเห็นซองภาพป่าพวกเราก็คงจะกลัวกันแล้วน น, นี่นะห <c oughs> ลวงพ่อเล่านิทานเมื่อวานนี้แต่วันนี้ก็จะเล่านิทานให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีวัดอยู่ในหมู่บ้านหลวงตาเนี่ยก็เดี๋ยกวก็สร้างกำแพงเดี๋ยกวก็สร้างศาลาเดี๋ยกวก็สร้างโรงครัวแล้๋ยกวก็สร้างหอะระฆัง พอสร้างแต่ละครั้งเนี่ยก็แพรใส่แจกซองผ้าป่าอย่างนั้นจ้ะแจกซองผ้าป่าในหมู่บ้านมีทายกขึ้นมาแล้วก็ทายกก็ถอบซองผ้าป่าแล้วก็แจกแต่ละเดือนนะอยู่แท้แต่ใครจะใส่เท่าไหร่อันนี้เขานี่หลวงหลวงพ่อจะสร้างกำแพงวัดกำแพงโบสถ์หลังคาศาลาลักษณะอย่างนั้นะคือในหมู่บ้านพระในหมู่บ้าน เวลากีดย่างแต่ละครั้งก็คงจะแพ้ครั้งหนึ่งลักษณะอย่างนั้นแหะอันนี้กับเวลาเข้าโพดเวลาได้ข้าวเวลาอะไรลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่ได้มียายคนหนึ่งเสียขี่เนีย้ยอยู่ในบ้านเออแค่ว่าเป็นคนรวยกว่าเพื่อนบางั้นแต่แต่ว่าเรื่องทําบุญธําทานนไม่เอาแต่รวยกว่าเพื่อนอยู่ในหมู่บ้าน เวลาเห็นซองผ้าป่าเนี่ยโอ้ยขวางหูขวางตาแต่มม่รู้จะพูดยังไงเ อ, อมากรลับหูกรลับตาลับอย่างนั้น่ะเออแต่ให้ได้บ้างแต่เกียรตชังผ้าป่าเนี่ยคลองผ้าป่าอย่างมากะแต่นีีนตน่ต่อมา อ, อต่อมายายน ก, ก็เลยตายพอตายแล้วคนคิดตนลีทีเนี่ยมก็หวงรัพบใช่ไหมล่ะจะไปที่ไหนก็ ถึงจะตายแล้วก็เถอะก็ยังบุญเวียนมาหาลูกหลานอยู่เด็กก็เข้าสิงคนนั้นเป็นผีแล้วนะเป็นผีอลไรยังเข้าสิงหลานเข้าสิงลูกโดยมากโดยมากเข้าสิงลูกนะนะั่นแหะพอเข้าสิงเข้าไปแล้วก็สูทําไมแม่ทาอย่างงู้นทำท ำ, ทำอย่างนี้ทําไมใช้โซลุยโซไลอะไรก็ว่ากันนะครัเพราะว่าผีกับขี้เหนียวคุยกันแนละ้วจะตายไปแล้วนะแต่นี้ก็กําลังเข้าสิงลูกสาวอยู่กันเถอะลูกสาวยายนะ่ะหรอ นี่ทายกก็เห็นคนเยอะใช่ไหมกัหอบรองผ้าป่าหรือไปเหมือนกัน <c oughs> อะไรอะ <c oughs> โอ้ยยายเขามาสิงลูกสาวงหมอนกน ล, ลูกสาวที่ไหร่ล้วเนนั่นแหละผีกาลังผียายกำลังมาสิงอยู่อนทายกเนี่ยอยากจะเข้าไปใกล้เหมอนกัอยากเข้าไปดูใกลๆ้ๆพอยายนั้นเหลือเพ็นซองผ้าป่าเหมอนน <c oughs> อันนั้นอะไรบน <c oughs> วันนะีทายกวัยซองผ้าป่าเหออ้า <c oughs> กูกูนี่เกียรติ่องผ้าป่ายิ่งกว่าอะไรอีกกูไปแล้วแต่เนยยายเลยออกจากจากลูกสาวเลยออกจากผีสิงเลยผีท่านนี้ออกจากลูกสาวไปเลยลูกสาวของโพโลไสเลยกูไปอะไรสวยก็ยายเขามาสิงแล้วกั้นเออตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาเลยพอยายเข้าไปสิงหลานในสิงลูกได้สิงใครก็ตามงั้นแต่เขาจะเอาซองผ้าป่านี่ หอบซองผ้าป่าเนี่ยผียาญยไปเลเลิดเปิดเปิงแล้วมันไปนกลัวสองผ้าป่าเหมอนนแต่่วันนี้ลว ง, งพ่อก็จะจอกแจ ก, กสองผ้าป่าเหมือนกันนะวันนี้นะซองผ้าป่าโห้ซองผ้าป่ามหากุศนนั่นเพราะว่าทางจังหวัดเขาไปชุมกันหลายครั้งสังคราชบูชาร้อยพรรษา อันนี้ก็คือพระป่าสมเด็จพระสังคราชคือท่านก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็ยุร้อยปีแล้วท่านจะรู้อะไรแต่พวกสิทธิยานุสิทธิสมเด็จพระวรรณรัตนเจ้าวาดวัดบวรกับคณะสงฆ์เห็นสร้างอาคารถวายสมเด็จพระสังคราชอยู่ที่เมืองกาญฯนะสร้างโรงพยาบาลนะตึกห้าชั้นโรงพยาวาลพญาปโหนผลพโยหะพอสร้างเสร็จแล้วแต่นี้ขาดเครื่องมือ กันเลยคณะสงฆ์ก็เลยรวบรวมกันจากคณะศิษยานุศิษย์ทางหลายทั่วประเทศเพื่อจะได้เงินสักสองร้อยล้านเพื่อซื้อเครื่องมือเข้าตึกหลังนี้ไปนะตึกสมเด็พระสังฆราชอ่านรูปก็แล้วกันว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะหลวงพ่อพูดให้ฟังน้นกันนะถา้าผู้ใดอยากจะทําบุญกับสมเด็จพระสังฆราชนะแต่อย่าไปกลัวนะไม่ต้องกลัวสองผ้าป่าหรอกหลวงพ่อให้แจก จะใครจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ถ้าว่าใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะอันนี้ก็คือซองสมเด็จพระสังฆราชจะไปจะไปทอดเมื่อวันที่สิบนะวันที่สิบสิงหาเนี่แหละที่จะถึงเนี่ยที่วัดป่าบ้านตาดวันนั้นจะมีเจ้าพกุลสมเด็จพระวรรณรัตน์พลอยพระสงฆ์พลอยพระสงฆ์คือสมเด็จพระวรรรัตน์เป็นประธานอ่แล้วก็ ฝ่ายบ้านเมืองก็ฟ้าหญิงฟ้าหญิงทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุลาภรเป็นประธานแล้วก็จะมีคณะสงฆ์6จังหวัดอุดรน้องคายบึงการสกล น, นคร น, น้องบงัวหลวงภูเออผู้ใดผู้ท่านได้นะหมื่ว่านหลวงพ่อก็แจกรอบนึงนะครับผู้ใดใดได้แล้ ว, วเบานี่จะเอารอบสองก็ยังได้บอกไปยังวันแลไง อ่านแล้วใช่ไนหะาป่าอะไรอ่านอยู่ข้างในนะ่ะมีใบโบซัวอยู่นั่นนะั่นอ่ะวันที่สิบสิงหาผู้ใดจะไปบ้านตาก็ถือไปบ้านตากเลยก็ได้นะเลขคันผู้ผู้ใดบอกไปกันเอามาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อจีนนั่มไปถวายเพคนก็ได้เดือมปัจจัยกันฮ้อนได้ไปบ้านตากไปถวายบนบ้านตากวันที่สิบสิงหาและก็วันที่สิบสองสิงหาก็เป็นวันเกิดหลวงตาเขาคงจะท่าบุญอีกรอบหนึ่งขึ้นกัน ทำบุญนำฤกษ์ถึงหลวงตาวันที่สิบสองเตงหลวงตาจะจากไปแต่ลูกทิศลูกหาเขาคงจะทำบุญนํานกึ์ถึงหลวงตาอีกมั้งแต่ทีแรกเขคิดว่าวันที่ยีสบเอ็ดจะถแถลงข่าวถแถลงข่าวเจรีหลวงตานะ่ะแต่เบริเบริแล้วก็คือสิบวพร้พอมเพราะว่าทั้งฝ่ายหญิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประส้วนอย่างที่พวกเขาได้สักข้าน่ะ เมื่อวันที่ ว, วันที่สิบสามที่ผ่านมานันะฟ้าหญิงจะเสด็จที่วัดเราที่ได้จะเสด็จพร้อมกับพระ อ, องค์เจ้าจิติพาจุธาพรลูกสาวต่อมาลูกสาวป่วยไม่สบายก็จะเสด็จแต่พระ อ, อ, องค์จะเสด็จแต่ทูลกระบอกฟ้าหญิงพอวันที่สิบสองวันที่สิบสาม ทหารตำรวจเต็มไปหมดนะในวัดมีกองบัญชาการอะไรพร้อมแล้วก็สำนักพระราชวังก็ทยอยเข้ามาพอวันที่สิบสามเช้าทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสวนป่วยก็เลยยกเลิกทั้งหมดเลยเพราะว่าพระองค์จะเสด็จไม่ได้เพราะจะต้องดูดูแล พบับาตรงเด็ดพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นลูกมนะันจะเด็ดได้ยังไงอย่างพวกเรานะะพวกเราพ่อแม่ป่วยพวกเราจะเป็นหนี้ได้ยังไงเราก็ต้องอยู่เฝ้าพ่อแม่อย่างหลวงพ่อเมื่อลุงตาป่วยหลวงพ่อก็กลับมาวัดมาเตรียมของแล้วก็วันลุ่งขึ้นหลวงพ่อก็จะไปงานศพหลวงปู่ฟักเพราะหลวงปู่ฟักจะได้พระราชทานเพลิง จังวัดจันทบุรีหลวงพ่อกลับมาวัดเตรียมของแล้วกันนั่งรถออกไปแต่เช้าพอไปถึงขอนแก่นทางบ้านตาเขาบอกว่าหลวงตาอาการไม่ค่อยดีเมื่อเหนื่อยเห น, นื่อยมากหลวงพ่อไปจูที่ขอนแกนโอไม่ได้โทรเข้าไปทางหน้าทางหน้าเขาบอกว่าผมจะได้กลับบ้านตาหน้น พี่น้องทั้งหลายเนี่ยน้องนุ่งทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะ้าผมจะได้กลับไปทำหน้าที่ดูแลองค์หลวงตาแต่สวนหลว ง, งปู่ฟักผมก็ตั้งใจว่าจะมาแต่พอมาถึงครึ่งทางแล้วก็ทราบข่าวว่าหลวงตาไม่สบายผมจะต้องรีบกลับปั้นตานะ้ไปดูองค์หลวงตานะ้าผมพกเพื่อนไปทำหน้าที่ทางนู่นนะ่ะผมจะทำหน้าที่ทางนี้แทนหลวงพ่อก็กลับมา กลับมากมาถามตามปกติเลือดของหลวงตาหนระือว่าเลือดของคนเนี่ยตามปกตินี่นะะเลือดคุณค่าของเลือด4นี่ก็ น, น่คือปกติมัถ้าว่าอยู่ได้นก็ประมาณ2 8่สด่กนะคืออยู่ได้แต่นีหลวงตาลดลงมาถึง2 0 22มั้งก็ทำให้หลวงตาเหนื่อยมากเต่ นี่แหละก็มาถกเถียงกันว่าจะเอาเลือดเข้าองค์หลวงตาหรือไม่นะหลวงพ่อมาวันนั้นนะ่ะหลวงพ่อก็รวบรวมเลือดพระในวัดนะ่ะที่พระในวัดหลวงพ่อกับคุงพ่อจะให้เหมือนกันจะถวายหลวงตาเหมือนกันเลือดก็ว่าโอ้ยหลวงพ่ออยู่งหกสิบกว่าปีแล้วเลือดแกแล้วเลือดเลือดไม่มีคุณคุณภาพงเอด เลือดหลวงพ่อไม่มีคุณภาพอายุหกสิบกว่าแล้วไม่เอาขอกันะนะก็เลยเอาเลือดพระนมะก่อนที่จะขออนุญาตจากหลวงตาเข้าเลือดเนี่ยโอ้พอแรงแท้เนี่ยพวกหนึ่งก็เห็นด้วยพวกหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยไอะเพราะลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามีมากแกมาไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยกขาว่าเนี่ยหลวงตาเป็นผู้เป็นผู้บริสุทธ์หมดจดจากกิเลสแล้วจะเอาเลือด ปุตตุชนทั้งหลายเข้าไปในเลือดของหลวงตาได้ยังไงแต่หลวงพ่อก็ฟังผลในสุดหลวงพ่อก็ให้เหตุผลว่ า, าถ้าหลวงตาเป็นพระหรหันต์ก็จริงแต่ใจของท่านเป็นพระหรหันต์แต่ร่างกายของท่านก็พลอยเป็นพระหรหันต์ไปด้วยความบริสุทธิ์ก็คือใจของท่านแต่ธาตุขันของท่านก็ต้องการ หนึ่งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวยาเหมือนกันสมมติว่าเอ้าถ้าว่าลงตาเป็นพอทหารแล้วถ้าลงตาฉันพวกปลาพวกปลาพวกเนื้อพวกเนี่ยอาหารเนี่ยผิดไหม เ, เพราะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปในธาตุขันของลงตาถ้าหาว่าเอาเลือดเข้าลงตาผิดเอาอาหารลงตาฉันอาหารก็ต้องผิดด้วยเพราะว่า พวกกบพวกเขียดพวกปลาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นพระรหันแล้วจะ เ, เข้าได้ไหมก็มาถกเถียงกันโอ้กว่าจะเอาเข้าได้ตัวลงถามลงตาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่หนึ่งถามไปครั้งที่สองถามไปลงตาก็เฉยหลับตาท่านก็รู้อยู่นะแต่ท่านไม่พูดเออ พยาบาลกับหมอเนี่ยบอกว่าเลือดเนี่ยจะเก็บไว้ได้เพียงสีชั่วโมงเก็บไว้ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นอันได้นานอันนี้เอาออกมาแล้วเนี่ยจะเก็บไว้ข้างนอกเนี่ยสีชั่วโมงแต่บัดนี้ชั่วโมงครึ่งแล้ววงถ้าหากว่าอนุญาตขออนุญาตไม่ได้แปลว่าเลือดอันนี้จะต้องได้ทิ้งโถงเงี้ยวถ้าขออนุญาตไม่ได้ตอนนี้ก็พยายามขออนุญาตอีก หลวงตาเออหลวงตาเออพอให้ทั้งพออด้วยทั้งใครเอาขออนุญาตวันนั้นหลวงตาเคยเออกันเลยเอาเข้าหลวงตาเลยพอเอาเข้าได้ครึ่งถุงท่านเองนะอ่พ อ, เ, อเข้าเกือบเที่ยงแล้วพอตอนบ่ายประมาณสักบ่ายสองโมงหลวงตาฟื้นทันทีแหละฮะพอเลือดเข้าไปปะปะปะ ป, ะปะออกไปทั้งนอกนอกวัด เลยในขนาดสายสายเลือดนะั้นยังอยู่นะแต่ก็าพยายามเอ็ดถุงเลือดเนี่ยก็เอาผ้าเขียวหุ้มนะแล้วก็ท่อเลือดก็ใส่ท่ออีกเหมือนกันนี่คือไม่ให้เห็นว่าเลือดเน่ยแล้วก็ออกไปนั่งออกไปข้างนอกอจากนั้นก็กลับเข้ามาะลุงตาเขาเลยฟื้นขึ้นมาโอ้ เ, อเลือดจางเนะี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะหลวงพ่อไปเห็นในวะันนั้นแ่ะหลวงพ่อโอ้ ต, ตุบตอมตอตบตบตมตเหมือนกันอาการป่วยของหลวงตาวันนั้นนี่แหละวันนั้นหลวงพ่อได้ลงไปจะไปงานศพของหลวงปู่ฟักจกังหวัดจันทบุรีแต่ย้อนกลับเข้ามาบ้านตาเนีอันนี้สรุปแล้วก็คือหน้าที่ของเราเป็นเป็นศิษย์ลูกศิษย์เราถือว่าเป็นศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาก็เหมือนกับต้งตาเป็นพ่อแม่ของเรานะ ในเมื่อพ่อแม่ของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปข้างหน้านก็ต้องได้คิดดิเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน น, นั่นแะทุนกระหม่อมที่ท่านจะเสด็จมาที่วัดเราท่านก็บอกทั้งตำรวจทาหารพร้อมอลงทุนกันเยอะแยะแต่ทำยังไงได้นะพระบาทจุนเด็จพระเจ้าจุงหัวทรงประสวนคือพระบิดาของท่านท่านก็เสด็ดไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือลูก ที่มีความ ก, ะ ต, กะตันอยู่กะตันอยู่กตเวทที่ตาต้องรู้จักควรจะทำอย่างไรควรจะดูแลอย่างไรอันนี้ลูกทุกคนต้องใส่ใจเมื่อพ่อแม่เจ็บใครได้ป่วยอย่าไปเกี่ยงกันนะบางคนเกี่ยงกันนะบางทีมีลูกหลายคนพวกอยู่ใกล้อา้าพวกอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้เราให้เขาดูให้พาเขาไปหาหมอให้พวกอยู่ใกล้ก็เอาคอยพวกอยู่ไกล้อีกออ ไม่ใช่แม่ของเราคนเดียวเนีว่าไม่ใช่พ่อของเราคนเดียววะพี่น้องทุกคนกับเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันทำไมให้เรารับภาระคนเดียวการไปหาแพทย์หาหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ได้จ่ายเงินมันต้องได้จ่ายเงินทำไมจะให้เรารับภาระคนเดีย ว, วะ่ะเวลาบอนมอระดกไม่ใช่ว่าเรารับคนเดียวพี่น้องโวยกันรับทุกคนอะอะไรเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาพ่อแม่เลี้ยงลูกหลายคนก็เลย จะพึ่งพาอาศัยใครเป็นสักส่วนเป็นกิจจะลักษณะก็ไม่ได้ฮก็เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นมีมากต่อมากเวลาลูกตัวเองเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยโอยอยู่ที่ไหนวิ่งถ้าว่านั่งรถมาข น, นใจอยู่กับลูกนู้นเน่ยเหยียบร2อยยี่สิบก็ยังไม่พอไงร้อยสี่บรนะ้อยห้าสิบเพื่อมาหาลูกค่ะ แต่พ่อพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไอย้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปตีก๊อฟกับปูก่อนก็ได้แต่ยังค่อยไปเราคงไม่เป็นไรนี่แหละโดยมากลูกลู ก, ลกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราฟังฟังนะสรุปแล้วก็คือให้รู้จักหน้าที่นะพ่อแม่เลี้ยงดูเราเราก็ควรจะทดแทนพระคุณตอบแทนบุญคุณของท่านนะพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเรา สมควรยิ่งจะต้องเลี้ยงท่านตอบแทนทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลอดเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจะต้องคํำนึงและคิดอยู่เสมอถ้าเมื่อพวกเราทํากับพ่อแม่ดีนะลูกของเราก็ดูเราเพราะเราทํากับพ่อกับแม่อย่างไงลูกของเราก็ดูดูตัวอยา่าง แต่เมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาเขาจะต้องดูแลพ่อแม่เหมือนกับเราดูพ่อแม่ของเรานะั่นแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามนะอดูถูกพ่อแม่ของตนเองพ่อเป็นอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนี้ ม, มีแต่รักคนนั้นไม่รักครอบครัวของเราเอาพูดกันแหนะพูดกันแหนให้ลูกฟังต่อไปภายภาคหน้านั้นนะ่ะลูกของเรานั่นแหละเขาจะพูดให้ลูกของเขาฟังเอง กรรมล้อ ก, กงเกวียนไม่ไปไหนหรอกกรรมมุนินาวัตตีโลโกศพสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ถ้าตัวเองทำกรรมดีทำสิ่งที่ดีผลตอบแทนก็นแต่ตอบแทนในทางที่ดีแต่ถ้าว่าตัวเองทำไม่ดีผลที่ตอบแทนมามันก็ไม่ดีเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆคนนะ้าอันนี้ปลาลบถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสวนถูลกระหม่อมพระหญิงจะเสด็จทิศวัดเราวันที่สิบสามท่านเสด็จไม่ได้เพราะว่าพระบิดาทรงประสวนนี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นหลักของประเทศชาติชาติศาสน า, า, าพระมหากษัตริย์หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี้ พูดว่าเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีคุณอุปการต่อประเทศชาติถ้าทําคุณประโยชน์ให้มากมายให้พวกเราคิดดูสิคนเราต้องมีประวัติศาสตร์ประเทศชาติต้องมีประวัติศาสตร์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติมาอย่างไงศาสนามาอย่างไงพระมหากษัตริย์มาอย่างไงมันต้องมีประวัติถ้าคนไม่มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ข้าคนเดียวเก่งคนเดียวกล้าคนเดียวไม่มีใคร อันนั้นแปลว่าหรือหลงลืมตัวไม่รู้จักกรรมพืชที่ไปที่มาของตนเองหน้าห่วหน้าวิตกกังวลถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าอ่านถ้าดูประวัติแล้วน่ประวัติเป็นมาอย่างไงอย่างพุทธศาสนาอย่างิ่งศาสนาคล็ดอย่างนี้เป็นมาอย่างไงอิสลามเป็นมาอย่างไงพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรแต่พวกเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไร เมื่อ2 5งพ้าอห้าสหปีให้หลังพระพุทธเจ้าสิตติธาอุบัติขึ้นในโลกอายุยี่ปีอยู่ในกรุงกบิลพัฒจากนั้นท่านก็ทำไม้ท่านจึงเป็นาศาสนาท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็โอ้คนเราเกิดมาไม่มีอะไรแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกไปที่ไหนได้อีกต่างหา ดับไหนก็ตายหมดต่อไปเราก็จะต้องตายเหมือนกับคู่คนทั้งหลายไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าแพทย์ไม่ว่าพราหมณ์ไม่ว่าพ่อค้าประชาชนข้าราชการทุกหน่วยเราทหารตำรวจตายด้วยกันทั้งนั้นเราอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องตายเมื่อตายแล้วก็วมอบมระดกทายาทให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปเราจะคอยวันตายอย่างนั้นเหรอนี่อิทธิฐานท่านคิดนะจากนั้นถึงออกไปบวช จึงได้เป็นศาสนามาจึงว่าประกาศพระศาสนาประกาศทรรำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความเห็นยังไงเมื่อออกไปอยู่ในหกปีได้ตัดสรุษพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนี่แหละจากนั้นประกาศพระศาสนาคือพระธรรมคําสอน 84% ดหมพันพระธรร ม, มขันนะให้พวกเราได้ศึกษาพวกเราก็ยอมรับว่าเออทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านคําสอนออกมาเนี่เรายอมรับ ว่าเป็นธรรมเป็นกรรมที่ถูกต้องจริงพระพุทธเจ้าสอนให้สอนพวกเราว่าพวกท่านทั้งหลายต้องเสียสละนะเกิดการอยู่ด้วยกันก็มีทานมีการเสียสละเสียสละก็คืออาเมสทานคือการให้อาเมธวิทยาทานก็คือให้ความรู้ธรรมทานคือให้แนวความคิดในทางที่ถูกต้องให้อภัยทานถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้อภัยกันนะ อย่าไปจองร่างจองผานกันเนี่ยคำว่าทานของพระพุทธเจ้าสินนะให้อยู่ในกฎในระเบียบการอยู่ด้วยกันให้มีศินห้านะอย่าไปฆ่ากันอย่าไป ข, ไป ข, ไปขโมยกันให้เคารพสิทธิสามีภรรยาลูกหลานของซึ่งกันและกันอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันอย่าไปกินเหล้านะถ้ากินเหล้าแล้วขาดสติกินของเหมือนเมาแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วยเสียหาย ปัญญาทำอันนี้คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันเมื่อเราได้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์เรายอมรับเมื่อยอมรับแล้วก็นํามาปฏิบัติเรายอมเป็นสาวกหรือว่าสาวิกาหรือว่าเป็นพุทธบริษัทอย่าบริษัทในไทยบริษัทในคล้ายๆกับว่าบริษัทต่างๆใช่ไหมบริษัทจํากัดบริษัทต่างๆ มีมีผู้จัดการแล้วก็รองผู้จัดการแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายน เ, เป็นบริษัทเนี่ยดเนินการของบริษัทนะจำแต่ทํายังไงบริษัทของเราจึงจะก้าวหน้าจึงจะเจริญตัวเองก็ได้รับเงินจากบริษัทอันนี้ก็เหมือนกันบริษัทเหมือนพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเป็นผู้จัดการใหญ่จากนั้นพระสงฆ์พระโมคคัลลาสาลีบุตร เป็นรองผู้จัดการต่อมากับพระสงฆ์ทั้งหลายจนถึงพุทธบริษัททั้งหลายเป็นบริษัททั้งนั้นจากนั้นพวกเราทําบุญต่างคนก็สร้างต่างสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะพวกเราทําตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้พุทธบริษัทจากนั้นกัเนี่ยพวกเรานับถือเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะนั้นเราเวลาเราจะทําพิธีกรรมไหว้พระสวดมนต์เราขอหน้โมตัสสะปะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสระข้าพเจ้าขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่ยอันนี้แหละคือเรากล่าวถึงประวัติศาสตร์ย้อนหลังเพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นมาอย่างไรเนีชาติไทยมาจากไหนแหมเราก็พอ ต่างเผ่าต่างมากันจากนั้นก็เป็นกลุ่มชาติไทยจากนั้นพระมาหากษัตริย์ปกครองมาแต่ยกไหนกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินจากนั้นก็พระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรเนี่ยชาติศาสนาที่นับถือพวกเรากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดศาสนานี่แหละที่หลวงพ่อมาพูดว่าเมืองไทยของเรานั้นนับถือโชคดีนะ ที่พระมหากษัตริย์มีพระปีชาสามารถเพราะเหตุไรก็เพราะว่าพวกเรานึกกลับตาดูซิว่าลาวขเข ม, พมเรพม่าเวียดนามอินโดมาเลสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติหมดใช่ไหมการใ น, นพวกเราก็คงจะใช่เพราะเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะเราก็ต้องรู้ว่าใช่ แต่เมืองไทยไม่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไหม เ, เราก็ต้องว่าใช่แล้วตอนนี้ก่อนที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของไทยนั้นใครเป็นเป็นผู้ดําเนินการในช่วงนั้นก็ต้องว่ารัชการทีห้รัชการทีห้ใช่ไหมใช่รัชการที่5ท่านทํำยังไงท่านจึงไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของเขาเ อ, อันนี้เราต้องมีประวัติศาสตร์ศึกษาแหละท่านแต่มาถึงยุคนี้ ยุคนี้งไงเมืองไทยของเราด้อยของเขาจะไหมที่เรามีกษัตริย์อมีพระเจ้าเป็นดินเราด้อยของเขาใช่ไหมไม่ด้อยเราเป็นตัวนําของเขาใช่ไหมใช่หน้าภาคภูมิใจไหมที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองมีพ่อมีแม่ปกครองถ้าว่าผู้ที่อ่านประวัติศาสตร์ก็อ่นนานก็ใช่อพระเจ้าเป็นดินอท่านทาคุณูปการาโครงการพระราชดำริ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรูปล้านได้รับความร่มเย็นเป็นสุขใช่นี่แหละหลวงพ่อว่าเยสรุปแล้วก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีคุณประโยชน์แต่ทางพุทธศาสนาเกี่ยวไหมโอ้เกี่ยวอย่างมากเลยทางว่าประเทศรอบด้านของเราเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ ย, ล, ยล้อยหลอไปหมดถึงพมา่าจะเข้มแข็งระเถอแต่ทางกฎทวีนของพมา่าแล้วอ่อนปวกเปียกนะถ้าเข้าไปแล้ว เนอพระเนี่ยไปดูหนังดูละครไปดูมวยได้ในโรงหนังโรงละครจากนั้นผู้หญิงเดินข้ามถนนเนี่ก็เนอพระก็เกาะแขนผู้หญิงผู้หญิงก็เกาะแขนพระอะไรงี้ยอ่เออันนี้คืออย่าขนาดอยู่ในที่แจ้งขนาดนี้นก็ยังมองเห็นแต่อยู่ในที่มองไม่เห็นน่ยจะขนาดไหนอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องพระวินัยของพระสงฆ์อ่แต่และประเทศนี่ครับไม่ใช่ยออนกันมีแต่ประเทศไทยที่ว่าเข้มแข็งอยู่ ก็เพราะอะไรเพราะพระเจ้าแผ่นดินเนพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำเป็นผู้บวชปีสองพันห้าร้อยเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวของเราบวชเป็นพระเออพวกเราก็ชายใดก็ตามในเมืองไทยถ้าบวชเข้ามาก็ไม่ขายหนาเพราะเหตุ อ, อะไรเพราะพระเจ้าแผ่นดินพาบวชเออผู้นำของประเทศพาบวชเมื่อท่านบวชแล้วเนี่ยใครจะบวชตามเป็นผู้มีศักดิ์มีสีเนี่ยเพราะอะไรเพราะผู้นำ ตาบวชปฏิบัติธรรมนี่แหละหลวงพ่อว่าผู้นำอของประเทศถ้าท่านมีคุณภา พ, ม, ภาพมีคุณธรรมในจิตในใจแล้วพวกเราบ้านหน้าภาคภูมิใจอย่างมากที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยในพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณนภาพออกประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขหลวงพ่อยังบอกอถ้าผู้ใดก็ตาม ถ้าไม่ชอบเมืองไทยที่มีพระมหากษัตริย์กันเนี้ยไปอยู่กับประเทศลาวก็ได้ไปอยู่เขบเมียน์ก็ได้ไปอยู่เปียดน้ำก็ได้ไปอยู่กับพม่าก็ได้อยู่รอบๆอบด้านของเราเนี่ยถ้าเราไม่ชอบนะฮถ้าเราชอบเราก็ต้องอยู่ในเมืองไทยฮถ้าเราไม่ชอบก็เราก็มีโขนทางที่จะไปได้อีกเหมือนกันนั่นแหละนพอเราไม่ชอบเนี่ยคำว่าคําว่าไม่ชอบคํานี้เน่ะแต่จึงทุ้กซี้อยู่มันก็ไม่ได้นะ เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้คิดหลวงพ่อสอนให้คิดนะสอนให้พวกเราได้คิด่ทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ไปมีที่ม า, าสิ่งควรไม่ควรอย่างไรควรจะขอรบอย่างไงอย่างพ่อแม่อย่างหลวงพ่อได้ยกประเด็นขึ้นมานะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบนะแต่ละครูบาอาจารย์แ่ะอย่างหลวงพ่อเนี่ย เมื่อทราบข่าวว่าหลวงตาท่านป่วยหลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้อีกเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นภูมิระคุณนะเนี่ยโทษสรุปแล้วก็คือให้พวกเรารู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าพวกเราได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้แล้วนะ่ะทบทวนดูแล้วด้วยเหตุด้วยผลแล้วนะ่ะเอยอย่าไปเห่ไปตามคนที่ไหนพูดขึ้นมาแล้วก็เออโดยไม่ได้คิดไม่ได้อ่านเหมือนกระตายตื่นตู ม, มอยนะ่างนั้น แหมหมากตูมผลไม้มันหล่นใส่ใบตาล น, นั่นน่ะก็ตายนอนนอนอยู่ใต้ต้นต้นตา่ น, น่ะได้ยินเสียงตูมตามก็แค่คิดว่าแผ่นดินถล่มลยกูวิ่งนะพอวิ่งแล้วก็ไปบอกคนอื่นไปบอกสัตว์อื่นอีกนะออแผ่นดินถล่มไอ้พวกสัตว์อื่นก็ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรก็วิ่งไปตามอีกออผลที่สุดก็เลยนุ่นมันวิ่งไปยังไม่ถึงม้าเ่านั้นเถอะนะ เออแต่บอกพวกเสือพวกสิงก็ถทิงแรดทั้งหลายแหละเนี่ยพอได้ยินต่างคนกระต่างวิ่งนะมนุษย์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกอนนะมันวนะิ่งในดินจนมันตีนมันยังไวแล้วนะเอามือตีแตกเป็นห้านิ้วนะมันเออบัวกับควายเนี่ยแตกเป็นสี่นะเป็นสองกีบหมูวะเนี่ยแกะมีหมาเนี่ยยังแกะเปห้านิ้คงจะตื่นมากกว่าเพื่อนเหมือนก่ะเนีพวกราชสีตื่นเหมือนกัน ม้ามันยังไม่ตื่นมันยังเป็นกีบเดียวเห็นไหมเล็บของมันัยังกีบเดียวอยู่มันม้ามันยังไม่ยังไม่ถึงม้าถ้าถึงม้าม้าก็คงจะแตกมัน้องว่ากี่กีบอีกเหมือนกันนั่นนี่แหละมันตื่นเท่านี้พอนะลาดเจษีว่าลาดเจษีก็คงจะลิ้นห้อยแล้วมันมันวิ่งไปเหนื่อยพอแล้วถามก็ตายเอก็ตายะมึงได้ยินยังไงวะว้ยข้าก็เป็นนอนถึต้นตรงนั้นแล้วะ ที่ไหนพากูไปดูเช่ที่แท้น่าสีเกิดลิ้นห้อยจนตีนแตกพราะแรงมันวิ่งอจนถึงห้าเล็บเหมือนกันเถอมตีนแตกพากูไปดูเถอพอไปดูเมื่อตนอนอยู่ไนี่ยนอนอยู่ตรงนี้มันทําไมออกไปดูหมักตูมันหล่นใส่ใบตาลมันก็เสียงดังกําลังงวงเงีย้ยกําลังนอนหลับใช่ไหมนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราอย่าตื่นตูมตื่ น, ต, นตาหน้า สิ่งไหนได้มาแล้วก็ต้องคิดเราเป็นชาวพุทธนะพุทธบริษัท ต, ต้องคิดทบทวนว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรเนหลวงพ่อสอนให้มีเหตุมีผลนะเลอสีอันไหนก็นดีหมดนะ่ะไม่ว่าแต่สีแดงดีสีเหลืองดีหลวงพ่อหลวงพ่อชอบสีอะไรหลวงพ่อว่าชอบสีกะสีแกนขนุนเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นุ่งสีแดงได้ยงไงใช่ ใช่ไหมพ่อไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงสีเหลืองสีเหลืองกับหลวงพ่อไม่เอาเอาหลวงพ่อสีกลักสีกรรมฐานฮะนี่แหละหลวงพ่อทุกสีชั่วได้ทั้งนั้นตีได้ทั้งสีกลักในชั่วไหมมีสีกลักชั่วก็มีสีแดงชั่วมีไหมหลวงพ่อวันน่าจะมีเหมือนกันนะผมหลวงพ่อไม่ได้เป็นนุ่งสีแดงฮะสีเหลืองมีไหมชั่วมีแล้วเสื้อลากสีชั่วมีไหมว่มีอีกเหมือนกันนะเพราะนั่นไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อเลย เรื่องเกี่ยวกับคนอีกต่างหากถ้าคนทําดีก็ต้องดีถ้าคนทําชั่วมันก็ต้องชั่วไม่เลือกเกสีนุ่นสีนี้ถ้าคนทําดีคิดดีพูดดีคิดดีพูดดีทดําดีนั่นแหละหลวงพ่อว่าเลิศประเสริฐถ้าหากคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วจะเป็นสีไหนก็เถอะชั่วทั้งหมดหลวงพ่อว่านะอันนี้นเป็นแนวความคิดนะให้ฟังฟังเอาไว้อตอ น, น่อไปรับพร